คำถามเปลี่ยนชีวิตว่าจะทำแล้วไม่ทำน่าจะทำแต่ไม่ทำรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นกับใจคุณลงมือเลยเดี๋ยวนี้กับขอผัดไปก่อนเคยสังเกตไหมว่าผลที่เกิดขึ้นทางใจต่างกันขนาดไหนมีเรื่องอยู่สองประเภท ที่ชวนให้คุณนึกอยากผัดวันประกันพรุ่งประเภทแรกคือเรื่องเล็กน้อยเช่นว่าจะจัดข้าวจัดของให้เรียบร้อยว่าจะออกไปตรวจฟันสัหน่อยว่าจะซื้อขนมไปฝากพ่อแม่เสียทีว่าจะว่าจะแล้วไม่ทำอีกประเภทหนึ่งคือเรื่องใหญ่มากเช่นน่าจะตัดสินใจว่าเอาไงดีกับชีวิต น่าจะคิดสะสงงานให้คืบหน้าน่าจะไปออกกำลังเสียก่อนสายเกินน่าจะน่าจะแต่ไม่ทำไม่ต้องไปส่วนผลข้างนอกเอาการที่ผลข้างในรู้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตนี่ัยผัดวันประกรันพรุ่งอ้างโนนอ้างนีหรือไม่อ้างเลยกีเกียดใส่เฉย ปล่อยเลยตามเลยทำเป็นไม่คิดอะไรมากปลงง่ายๆว่าไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวนี้ไว้ให้พรุ่งนี้มันจัดการของมันเองเมื่อสะสมนิสัยได้ที่จะกลายเป็นอารมณ์เืมกับชีวิตทั้งชีวิตพวกที่เหมอกับชีวิตทั้งชีวิ ต, ว อ, ว ต, วตอาจทำเรื่องปกติกลางๆได้ประเภทแปลงฟันออกไปเดินเล่น พูดคุยธุระนิดหน่อยจะทำโน่นจะทำนี่หรือลงมือทำธุระที่เคยชินไม่ต้องฝืนบังคับตัวเองมากแต่เรื่องเล็กน้อยประเภทว่าจะว่าจะกับเรื่องใหญ่มากประเภทน่าจะน่าจะมักเคยชินที่จะเข้าโมดหลบหนีหาตัวเองไม่เจอใจจริงที่คิดพระผิดชอบไม่รู้อยู่ไหน ทางง่ายที่สุดที่จะหลุดพ้นจากความเหลวไหลเทือกนี้คือเลิกผัดผ่อนกับตัวเองในเรื่องเล็กน้อยก่อนว่าจะว่าจะเรื่องไหนลงมือทำเรื่องนั้นเดี๋ยวนี้เลยเอากันง่ายๆายแบบไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังพอลงมือก็สังเกตผลทางใจไปด้วยว่ามีความตื่นตัวรู้สึกถึงโฟกัสที่มีต่อชีวิต แตกต่างจากอารม์มือกับชีวิตขนาดไหนหลังจากสร้างบารมีเอาชนะอารมเมือเล็กๆกำจัดเรื่องว่าจะทั้งปวงออกจากชีวิตได้คุณจะรู้สึกถึงความเข้มแข็งและพละกกำลังที่จะโฟกัสกับเรื่องใหญ่ขึ้นกระทั่งองอาจพอจะก้าวขึ้นไปจัด ก, การสาสารกับเรื่องหน้าจะได้ด้วยให้ความเปลี่ยนแปลงทางใจ ขยายขอบเขตจากเล็กไปหาใหญ่แล้วคุณจะกลายเป็นอีกคนที่ไม่รู้สึกว่าชีวิตสูญเปล่า